ทำกรรมของเราในในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันการทํากรรมในชาติปัจจุบันนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงชีวิตของเราที่จะเป็นไปในภายพักหน้าต่อไปอีกแนะว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดนั้นคืออะไรว่าชีวิตของเราต่อไปนั้นคืออะไรถ้าหากว่าเราไม่ไม่เจริญกรุณาไม่เจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านชีวิตของเราจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยหน้า น่าสงสารที่สุดโยมทั้งหลายสมมติถ้าเรามาเกิดเป็นอยู่อย่างนี้กันแล้วนะพบหน้า ต, ต่อต่อไปเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเสมอก็คือความไม่ประมาทพบหน้าไม่ได้อยู่ไกลตัวเรากันเลยอเมื่อพบหน้าไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานั้นน่ะกุศลอะไรที่พอจะช่วยเหลือเกือ้อกูลพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เราทั้งหลายได้ชีวิตของเรานั้นถ้าหากว่าอ่อนเรื่องทานอ่อนเรื่องการให้ คำว่าอ่อนเรื่องการให้นี่แปลว่าให้เยอะๆใช่ไหมคำว่าอ่อนในการให้ก็คือให้ไม่บ่อยหนึ่งนะก็คือให้ไม่บ่อยให้มากให้น้อยสําคัญไหมบนอยู่ที่ไหนกายบนอยู่ที่เจตนาฮัทถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเจริญกุศลเจตนาทําให้เกิดบ่อยๆทําให้เกิดการให้ได้บ่อยๆเป็นผู้ที่มีมือสะอาดพร้อมที่จะให้ได้ตลอดเนี่ยนะ การให้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นกุศลประเภทภาวนาต่อไปก็ได้ถ้าหากว่าสามารถที่จะตามระลึกนึกถึงการให้ใช่ไหม อ, อย่างบางท่านนั้นมีปกติที่ให้ค่อนข้างบ่อยใช่ไหมเตือนเช้ามาเนี่ยรู้แล้วาจะต้องทําอะไรบ้างกิจกรรมเป็นไปกับบุญสัส่วนหนึ่งเลยอย่างตื่นเช้ามาปับ๊บบางคนก็เตรียมทําบุญใส่บาตรด้ใช่ไหมเรียบจัดกับข้าวกับปลาเตรียมที่จะทําบุญใส่บาตรให้ทานไป แล้วก็สายขึ้นมาเอาอีกหน่อยก็สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์คนโน้นคนนี้อันนั้นก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราก็ค่อยๆไล่ไปชีวิตของเราตั้งแต่เชา้าไปจนเย็นเนี่ยเราทํากุศลประเภทการให้ได้อย่างไรบ้างการกระทําแบบนี้ถ้าทําบ่อยๆทําหลายๆวันเข้าหลายๆเดือนหลายๆปีเข้าตอนหลังมานั่งนึกอย่างเดียวเลยตอนหลังนั่งนึกได้นะโอโหวันนั้นเราจะให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นค่อยๆไล่แล้วค่อยๆตามระลึกนึกถึง เจตนาที่เราเคยให้ไปอันนี้เป็นอนุสตินะเป็นประเภทจารคานุสติแล้วนะเป็นกรรมฐานได้ถ้าใครที่ใจฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบก็หาเรื่องของการทําบุญอะ่ะเคยไปทําที่ไหนยังไงให้กับใครให้เมื่อไหร่ให้ด้วยเจตนายังไงแล้วไม่เดือดร้อนใจแล้วก็ตามระลึกแบบนี้บ่อยๆอันนั้นก็เป็นจารคานุสติกรรมฐานการตามระลึกถึงการการให้การบริจาค นันคนที่สามารถให้เป็นได้นั้นสามารถพัฒนาไปเป็นภาวนากุศลต่อไปได้ที่นี้ในเรื่องของคนที่สามารถให้หรือทําเหตุเจริญเจตนาแบบนี้แล้วก็จะเป็นได้รับอั น, นิสงสองนะอย่างผลของทานอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสในสีหาสูตรนะนะเรื่องผลของของทานผลของการให้ผลของการเสียสละผลของการบริจาคอย่างในปัจจุบันนี้ก็มีตั้น สี่อย่างผลในอนาคตชาติต่อไปนั้นอย่างเดียวผลที่จะได้รับในปัจจุบันนั้นก็คืออย่างเช่นในข้อความสีหสูตรที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่าหมหาวันของเมืองภัยสาลีครั้งนั้นสีหเสนาบดีก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เชริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสา ม, มารถบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือทําได้ไหมว่าการให้ทานเนี่ยมีผลในปัจจุบันอย่างในสูตรก่อนนี่เมื่อกี้บอกว่าคนให้ทานทำมากด้วยการให้ทานก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก็เหนือเทวดาอื่นถ้าหากว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มากด้วยอายุวันนะสุขและอธิปไตยมากกว่าคนอื่น ถ้าบวชก็จะมีอายุวณะสุขยศอธิปไตยมากกว่าคนอื่นแต่ในปัจจุบันนี่แหละที่เราให้ให้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีผลอย่างอื่นไหมผลที่จะมีในปัจจุบันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสามารถคือพระ อ, องค์นั้นสามารถบัญญัติได้นะว่าการให้ทานนั้นมีผลอย่างไรในชีวิตในปัจจุบัน แล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนสเสห์นาบดีทายกผู้เป็นธานบดีเป็นใหญ่ในการให้อะนะคล้ายๆพวกเจ้าภาพอ่ะพวกที่เป็นใหญ่ในการให้ผู้นี้ก็คือพูดให้แบบคนมีความรู้ความเข้าใจนะให้แบบมีปัญญาผู้ที่เป็นธานบดีเนี่ยนะย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากขณะให้เนี่ยคนที่ให้เนี่ยคนก็จะชอบใจก็บอกว่าเสือปืนฝืดกะชักยากเหลือเกินกับคนที่ มักให้เนี่ยนะความนิยมชมชอบในที่นั้นๆก็แตกต่างแตกต่างกันคนที่เสียสละกับไม่เสียสละนะันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยความนิยมชมชอบเนี่ยนะแตกต่างกันมากลองเนี่มาด้วยกันเนี่นะอีกคนหนึ่งไปไหนไปด้วยไม่เคยจ่ายเลย อ, อีกคนหนึ่งเนี่ยจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะอันนี้มีผลแตกต่างกันมากวันหลังเนี่ยพวกแบบเปืนเปิดส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครชวนไปไหนด้วยเขาเคลีย คนที่เสียสละบ่อยๆนั้นอ่ะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนหมู่มากไอ้คำว่าให้เนี่ยให้ทั้งแรงกายด้วยให้ทั้งทรัพย์สินด้วยหรือให้ทั้งแรงใจด้วยสามารถให้ได้ทั้งสามอย่างนะอันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือผลของการให้ในปัจจุบันก็คือเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากคนที่เกลียดคนให้เนี่ยนะมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะชอบถ้ายิ่งคนให้เป็นด้วยนะ สามารถที่จะรักษาใจได้อย่างคนทุกวันนี้บางทีเขาบอกว่าเขาเนี่ยทําคุณคนไม่ขึ้นเคยได้ยินนะทําคุณคนไม่ขึ้นที่จริงแล้วการทําคุณเนี่ยมันก็ทําเสร็จไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะแต่เราไม่รู้จักทําเองมันก็เลยปลูกไม่ขึ้นคนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ดีแต่เราไม่รู้จักให้ไม่รู้ความเหมาะสมระดับหนึ่งเราก็เลยทวงคุณอะ่ะอันนี้ยนะ ผลของบุญเนี่ยสมมติถ้าโยมไปทําบุญกับอายกตัวอย่างเช่นวันพระอาทิตย์ที่แล้วเนาะไปทําบุญที่บ้านบานคนสูงอายุเนาะพอไปทําบุญนี่ถามว่าบุญอยู่ที่ใครอยู่ที่ที่ตัวเราเนาะเอ๊ะทีนี้ว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งเรามานั่งคิดเอ๊ะเมื่อไหร่คนสูงอายุจะมาเลี้ยงเราคืนบ้างเออคิดอย่างนี้ได้ไหมเออความคิดอย่างนี้บางคนก็เกิดแต่ถามว่า เอาแล้วคนสูงอายุไม่มาเลี้ยงเราคืนนะเอ๊ะอย่างนี้เราก็ทําคุณคนไม่ขึ้นสิมันคนละเรื่องกันใช่ไหมอ่าคนละเรื่องกันถ้าหากว่าเราอยากจะให้คนอื่นทําคุณเราคืนนะก็ไปซื้อของจ่ายห้าเราจะได้ของที่มีมูลค่าห้าบาทคืนเลยนั่นคือการซื้อของแต่การทําคุณนั้นคืออะไรก็คือการเจริญกุศลกับคนอื่นอย่างไรอย่างหนึ่งไปคนที่ทําหน้าที่เจริญกุศลก็ทําไปไม่ใช่เอ๊ะเมื่อไรมันจะให้คืนสักทีนะ ไม่ได้ให้กูสตังนี่ใช่ไหมการที่เราไปช่วยอุปการะแก่คนอื่นกับการเป็นเจ้านี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนอนแล้วที่ว่าทำไมเราทาสร้างคุณกับคนไม่ขึ้นอันนั้นเราจะไปเป็นเจ้านี้เขาทันการทาตัวเป็นเจ้านี้เนี่ยนะไม่เคยมีลูกนี่ที่ไหนชอบเจ้านี้เลยแม้แต่คนเดียวทันเราเนี่ยบางทีอาจจะช่วยเหลือคนอื่นคนอาจจะให้เขาจริงแต่ให้เหมือนกับเจ้านี่ให้ ฉันให้แกนะแต่ต้องเซ็นสัญญากับฉันนะแกต้องอย่างนั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยอันนั้นมันก็เรียกว่าเป็นการเต้นทํำนี่นะเรากําลังเป็นเจ้าหนี้เขาส่วนการทําบุญคุณหรือการทํากุศลนั้นเนี่ยนะเรามีหน้าที่ปลูกฝังกุศลปลูกฝังกุศลเพื่ออะไรปลูกฝังกุศลเพื่อให้เราเนี่ยเจริญงอกงามมากขึ้นในเรื่องของจิตใจแต่ในเรื่องของการว่า เราทําแล้วเนี่ยนะคนอื่นเขาจะรู้บุญคุณหรือไม่ส่วนหนึ่งอยู่ที่วิธีการถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่ดีเป็นต้นเราก็สามารถที่จะฝึกคนอื่นเข้าได้เหมือนกันเขาก็อาจสามารถที่จะตามระลึกนึกถึงบุญคุณได้เหมือนกันแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือวิธีการทํานั่นเองแล้วก็การเลี้ยงลูกนั้นเขาจึงแนะนําว่าพ่อแม่นั้นควรจะทําให้สบายใจก็คือตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงเอาเอาบุญ แต่ถ้าหากว่าตั้งใจแหมจะเลี้ยงเอาคุณแล้วก็ลาบากนะบอกเออเราเลี่ยเป็นยังไงนะทําบุญคุลคนไม่ขึ้นก็คือทําไปทวงไป่ะฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กๆอย่างนั้นอย่างนี้แกเนี่ยอักตันอยู่แล้วเกินไม่รู้บุญคุณทวงเท่าไหร่หายเท่านั้นเนะ่ะเชื่อไหมไอทีแรกเนี่ยเขาอาจจะนึกอยู่นะเขาหาโอกาสเอ๊จะไปคืนยังไงนะจะไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้ยังไงบ้างพอไปได้ยินคํานั้นเข้านะทีแรกจะให้ห้าร้อยลดเหลือสองร้อยห้าสิบเลย พูดครั้งที่สองเหลือร้อยเดียวพูดทวงหนักเข้าหนักเข้าอย่าไปหาเลยแต่ทวงหมดแล้วหมดเลยอ่ะการที่เราไม่สามารถที่จะทําบุญแล้วแสวงหาความสุขจากการทําบุญก็จะเป็นลักษณะนั้นเสร็จ แ, แล้วก็ทําเพื่อที่จะทวงบุญทวงคุณทั้นการเจริญกุศลในผู้ศาสนาไม่ใช่เป็นการทํากุศลแบบแบบนั้นแน่นอนแต่เป็นการทํากุศลเพื่อเพื่อกุศลถามว่าจิตที่คิดจะให้ กับจิตที่คิดจะเอาอันไหนมีความสุขกว่าจิตที่คิดจะให้มีความสุขกว่าอ้าวเราก็ได้ความสุขไปแล้วไม่ใช่หรือขณะที่ให้ใช่หมแต่ทีนี้ให้ที่ไหนมีโทษหรือไม่มีโทษเราก็ศึกษาในบุคคลที่เราให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการให้ที่มีผลมากมีอนิสงส์มากพระพุทธเจ้าสอนให้เลือกให้แต่ถ้าถามว่าทานนี่ควรให้ที่ไหนทานควรให้ที่ไหนศรัทธาที่ไหนให้ที่นั่นแหละ เนี่ยทานควรให้ที่นั่นที่เราศรัทธาถามว่าทานให้ที่ไหนมีผลมากมีย น, นิสงมากก็บอกให้กับคนมีศีลมีผลมากเมี น, นิสงมากอ่แยกกันนะเพราะนั้นการทาบุญนั้นถ้าหากว่าเราทำเพื่อเอาอะไรแล้วตัวบุญจริงๆก็อยู่ที่เจตนาของเราเนั่นแหละในขณะที่ทำไปเราก็มีความสุขในขณะที่ให้ในขณะที่ทำนี่ชั้นหนึ่งแหละสองเมื่อทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะคนรอบข้างข้างเคียงก็จะจะชอบใจ อันคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยส่วนหนึ่งนะเพราะเป็นคนนิยมให้เป็นคนมักให้ออย่างที่โยมหลายท่านมาเล่าให้ฟังว่าผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะชอบให้มากหจ่ายจริงๆเลยบางทีก็จ่ายไม่ใช่เงินเดือนก็จ่ายช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์เกือ้อกูลไปยังไงมายังไงกินข้าวมาหรือยังอะไรเอาเงินไปกินข้าวนะอะไรเนี่ยเขาเลี้ยงลูกน้องค่อนข้างดีมากอันนี้คนที่ชอบให้ลักษณะนี้ก็จะเป็น ที่รักที่ชอบใจถ้าเป็นที่รักที่ชอบใจแล้วนะ<ม>บอกอะไรเขาก็ทําให้อยากให้เขาทําอะไรเขาก็ทําให้ถ้าเขาชอบใจนะถ้าเขาไม่ชอบใจนะโหยากจริงๆเลยยงังว่าคุยกับลูกคุยกับลานไม่เคยพอแม่บางคนเนี่อภัพเหลือาาลเกินคุยกับลูกคุยกับลานเนี่ยโหทุกจริงๆเลยนะนึกถึงหน้าลูกมายิ่งกระช้างทับติดเนี่ยนะมันหนักเหลือเกินแต่หลายท่านนี่คงไม่ขนาดนั้นเนาะแสดงว่าทําเหตุมาดีข้อสองว่าสักด์บุรุษ ผู้สงบคบหาทายกผู้เป็นทานะบดีคือคนที่นิยมให้ทานนะคนดีจะคบด้วยสัตว์บรุษก็คือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีคุณงามความดีก็จะคบกับคนที่ชอบให้สมมติถ้าพระจะบินทบาทในะสมมตินะบอกว่าพระที่ดีพระอรหันต์พระ อ, าา ร, ร, ะอริยเจ้าเลยถ้าท่านจะไปบินทบาทท่านจะไปบินทบาทบ้านไหนบ้านไม่ให้ท่านจะไปไหม ท่านก็ไม่ไปหร่ะท่านก็ต้องไปบ้านที่เขาทําบุญนั่นแหละเมื่อท่านไปที่บ้านที่เขาทาบุญเนี่ยพระทั้งหลายแหล่ที่มีคุณธรรมท่านไม่ได้ไปตัวเปล่าใช่ไหมพอเจอกันเข้าสมณะที่ดีทั้งหลายเขาก็จะมีการแนะนําพระธรรมศาสตรบุรุษถ้าเข้าไปหาแล้วเนี่ยสมณะทั้งหลายที่มีคุณงามความดีเมื่อเข้าไปหาแล้วคนที่เห็นสมณะจะได้มงคลทันทีเลยเด่นนะ คนที่เห็นสมณะานั้นการกราบไหว้ผู้ที่มีคุณธรรมอันนั้นก็เป็นบุญข้อที่หนึ่งการเชื่อเชิญท่านอนั้นก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการให้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการกราบไหว้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการฟังธรรมจากท่านก็เป็นบุญอีกอีกอย่างหนึ่งจะได้บุญแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะคนที่มักให้นั้นได้เครดิตอันดีอันหนึ่งแล้วก็คือคนที่มีคุณธรรมจริงๆจะเข้าไปหา แต่ว่าอย่าลืมนะให้ให้เป็นให้เป็นทานก็ให้เพราะเกงใจต่างกันไหมใครมาก็ให้ไปหมดเลยแต่ให้เสร็จนี่มาด่าตามใหญ่เลยนะมีน่ายอมเคยได้ยินเหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยพอให้เสร็จเนี่ยมาก็ให้แหละแต่พวกกลับไปเนี่ยบนทั้งบนทั้งด่าทั้งสารพัดอ่ะก็ให้อย่างนั้นเขาเรียกว่าให้ด้วยจิตหลังจากให้ไม่ค่อยดีนะ ไอ้ที่ให้ถ้าที่จะให้จริงๆก็เป็นบุญแล้วละ่ะแต่ว่าพอให้เสร็จแล้วนั้นใจหลังจากนั้นก็ก็ไม่เป็นบุญนะดูถ้าจะบาปมากกว่ามากกว่าทาบุญน่ะในขณะนั้นนั้นถ้าหากว่าคนที่สามารถที่จะให้เป็นนั้นอ่ะเป็นฐานบดีจริงๆ<ม>เขาให้แล้วเขาไม่รู้สึกเสียใจคือตรงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราให้โดยที่เรารักษาใจไว้ได้เนี่ยนเราก็พยายามใคร่ครวนก่อนให้ เออของที่เราให้ไปเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเราเสียดายไหมเราพยายามถามตัวเองก่อนเลยก่อนที่จะให้นะเออเนี่ยเราให้เนี่ยเราให้ระดับเนี้ยถ้าของนี้มีปัญหาเรารักษาใจได้ไหมอันนี้เป็นการฝึกชั้นแรกเลยสองแล้วคนที่เราให้เนี่ยเรามั่นใจขนาดไหนว่าถ้าเขามีปัญหาหรือเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ยังรักษาใจไว้ได้ สมมติถ้าเหมือนกับกับงานกินเลี้ยงนะใครที่เคยเป็นเจ้าภาพงานกินเลี้ยงเนี่ยพอให้เสร็จใช่ไหมคนมากินเลี้ยงเสร็จคนเนี่ยกลับไปเมาไปอะไรเขาเอ๊ะเขาทําไมเขารักษาใจเขาได้เขาก็ให้เหมือนกันใช่ไหมงานกินเลี้ยงบางคนเนี่ยจัดหมดตั้งหลายสตังค์หมดเยอะนะแต่ทําไมคนเนี่ยกลับไปเขาไปชั่วไปอะไรทําไมเขารักษาใจเขาได้เพราะเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเขาต้องการจะให้จริงๆสมมุติเหมือนกับคนจีนะนะที่เทกาจาะจัดอ่ะเขาชอบทําบุญเทกะจัดเขาทําเยอะนะ ใครมาเอาก็ช่างแต่เขาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าคนรับจะเป็นยังไงไปเพราะเขาทําเอาเขาทําอาบุญอ่ะบุญก็ได้แก่เขาไปแล้วอ่ะนั้นคนรับก็ก็เรื่องของคนรับอันนี้อีกประเด็นหนึ่งส่วนสําคัญที่สุดหนึ่งนะเราทําใจได้ไหมแล้วการให้ของเราเนี่ยวัตถุที่เราให้ไปเนี่ยอยู่ในฐานะที่เราทําใจได้ไหมถ้าไม่อยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็ดัดแปลกเอ๊ะทายังไงเราจะทําบุญแล้วรักษาใจไว้ได้ เราก็เริ่มคัดวิธีการทําบุญแต่ถ้าหากว่าคัดตั้งกระต้นแล้วมันก็ยังเสียได้อีกนั่นแหละทําไงอะ่ะก็เจริญตามพระเวสสันดรเลยทาบุญเมื่อไหร่อธิฐานเลยอธิฐานเมื่อพระเวสสันดรนะอธิฐานว่าไงอธิฐานว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าทําไปแล้วเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังเโอ้ทําบุญเพื่อไม่ให้เดือดร้อนใจในภายหลังบุญจะมีผลมากหรือไม่มากก็อยู่ที่การตามรักษาใจ คนที่รักษาใจได้ดีนั้นคนนั้นได้บุญมากที่สุดเพราะบุญอยู่ที่ที่ใจอยู่ที่เจตนาวันก่อนอ่นานพระสูตรบอกว่าอาหารที่บุคคลบริโภคดื่มลิ้มเคี้ยวไปแล้วมีอะไรเป็นผลผลของอาหารเหล่านั้นคือเข้าห้องน้ํามันก็มีอยู่เท่านั้นเองนั้นของพวกนั้นก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจริงๆเนี่ยเราจะรักษาใจลําบากข้าวของเครื่องใช้ของเราที่มีอยู่นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่ให้อยู่ไหมสมมุติหงข้าวมาแล้วหม้อหนึ่งถ้าเราไม่แบ่งให้ทานหรือไม่อะไรเนี่ยถามว่าข้าวนี้จะมีอายุอยู่เท่าไหร่ถึงเที่ยงมันก็สักจืดแล้วนะหงข้าวกะเช้ามาเย็นเอาไปให้คนอื่นก็ไม่มีใครอยากกินแล้วนะนั่นแหละเครียกว่าของเหลือของเดนเป็นต้นงั้นถ้าเราทําใจเป็นนะว่าเออของเหล่านี้ก็เป็นของที่มีอยู่ประจําในโลกนั่นแหละของเหล่านี้เป็นของคนมีบุญเขาถ้าเขามีบุญนั่นแหละเขาจึงได้ใช้สอย ของเราถ้าเราไม่สร้างเหตุไว้ไม่ทําบุญเอาไว้เนี่ยแล้วเราจะได้ใช้สอยอีกหรือเปล่าถ้าเราทําใจเป็นนะก็ค่อยฝึ ก, กจิตแบบนี้ต่อไปเราจะรักษาใจไว้ได้การรู้จักรับรู้ก่อนใช่ไหมอย่างสมมุติคนมาขอบริจาคเราถ้าคนมาขอนะสมมุติเหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมเราเลื่อนเวลาให้กู้ได้ไหมเออวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเลยนะเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะเราก็เลื่อนไปลนะักษณะนี้ก็ได้การหลีกก่อนการยักย้ายการ ใช้ทเทคนิคนิดหน่อยนะเสร็จแล้วเราจะรักษาใจไว้ได้เช่นว่าช่วงนี้นะกําลังติดธุระเรื่องนี้อยู่อ่ายังยังไม่ค่อยว่างในวันหลังค่อยมาใหม่ได้ไหมการรู้จักผลัดรู้จักทําให้ยืดขึ้นอีกนิดนี้ก็ช่วยช่วยได้เหมือนกันทําให้เรารอบคอบขึ้นอีกระยะหนึ่งว่าเรากลัวจะให้หรือว่าเราอาจจะบอกตรงๆไปเลยก็ได้ว่าเรื่องนี้เราสามารถทําได้เท่านี้เองบางครั้งเนี่ยคาว่าไม่ถ้าพูดเป็นก็ดีเหมือนกันนะ เธอไม่สามารถที่จะทําเรื่องนั้นได้เราไม่สามารถที่จะทําเรื่องนั้นได้เราก็บอกเขาไปตรงๆทําได้ก็บอกว่าทําได้ทําไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้ที่ทําไม่ได้เนี่ยนะคือเราจะเสียประโยชน์เพราะรักษาใจไม่ได้ไอไรที่ให้เนี่ยเป็นบุญ ล, ละแต่ว่าบุญที่เกิดแล้วรักษาใจไม่ได้อันนี้ก็ลําบากอย่างหนึ่งเหมือนกันนั้นทํายังไงอะ่ะให้ได้ด้วยแล้วรักษาใจไว้ด้วยในอีกเล่มหนึ่งนะเล่ม น, นี้เหมือนกัน คือเล่ม36เนี่ยฉากการนห้บาตองค์ของทายกผู้ให้ทานที่จะมีผลมากอันนี้ส่งมากอยู่สามอย่างหนึ่งก่อนให้ใจก็ผ่องใสสองกำลังให้ก็ผ่องใสสามให้เสร็จแล้วก็รักษาใจไว้ได้ใจก็ยังผ่องใสนึกเมื่อไหรก่ก็ยิ้ทุกทีงั้นถ้าเราศึกษาวิธีการให้นะเราก็จะสบายใจแบบแบบนั้นนั่นแหละแล้วเราจะไม่ไม่เสียใจ แล้วก็การหลีกเลี่ยงปัญหาบางปัญหาก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ใจใหญ่ให้ไปหมดเลยนะเหมือนกับเข้าไปในวงเล่าอะนะบางคนเนี่ยใจใหญ่เหลือเกินโอ้ยไปหมดแล้วกลับบ้านถูกด่ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วคนรที่จะศึกษาในเรื่องนี้บ้างอาข้อสามต่อไปนะว่าคนที่มักจะให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงามกิตติศัพท์ก็คือชื่อเสียงชื่อเสียงที่ดี มีชื่อเสียงองนั้นจะขจรกระจายไปในคนทั้งหลายว่าชื่อเสียงอันงามของทายกผู้เป็นฐานะบดีย่อมขจรแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้เองอย่างเชียงใหม่นี่เขาว่ามีนางวิสาขาเชียงใหม่ใช่ไหมเพราะเล่าว่างั้นนยก็แสดงว่าน่าจะมีเหมือนกันคนที่นิยมให้มักให้ยินดีในการให้ในการบริจาคเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงขนาดนางวิสาขาเนี่ยมีชื่อเสียงมาจนถึงยุคนี้เลย อาณาถาบินทกษิตีก็มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันเนี่ยพระเจ้าอาโศกก็ยังมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันเนี่นะอย่างฝรั่งหลายท่านต่างประเทศเนี่ยก็เป็นคนมักให้ชื่อเสียงก็อยู่จนถึงทุกวันนี้นะแกคนตะนีเนี่ยนะถึงเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนก็ช่างแต่ไม่มีใครนึกออกสักคนเดียวเลยฉั้นบุญคุณนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนแนละ้วเป็นสิ่งที่ยากจริงๆคนที่ให้ทานแล้วเนี่ย ไม่ต้องร้องเรียกหาชื่อเสียงก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะเสียสละทําบุญเป็นชื่อเสียงมันก็กระจายไปเองคนก็จะนับหน้าถือตาแต่อย่าลืมนะว่าโลกนี้เนี่ยบอกว่านัธถิโลเกานินทิตโตคนไม่ถูกมินทาไม่มีในโลกคนชอบเขาก็ชมคนชังเขาก็แช่งใครชอบใครชมเนี่ยให้เอาตรงนั้นเป็นประมาทใครอ่ะคือคนที่ชอบเราใครคือคนที่ชมเรา ขี้เล่าเมาแหมเมาอุ้ยคุณนี่ดีจริงๆเลยนะคุณเป็นเงนมีตินมีทำขี้เมามาชมอย่างเงี้ยเชื่อได้ไหมไม่ได้ถุกคนดีๆเนี่ดยด่าอยู่ทุกวันเลยนะขี้ยาด้วยกันมาชมอุ้ยแกเนี่ยดีจริงๆนะวันนี้ไปรีดเงินแม่มาซื้อยาแจกพวกแจกเพื่อนได้อุ้ยเก่งจริงๆมากเพื่อนอดีจริงๆพรวกนี้เอาใหม่นะเพื่อนนะอย่างเงี้ยอันนี้จะไปได้เรื่องอะไรใช่ไหมขี้ยามือยกันชมเนี่ย แต่ว่ามาถึงบ้านเนี่ยคนมีศีลมีธรรมผู้มีบุญคุณเนี่ยเขานั่งเทศกันใหญ่อยู่ทุกวันทุกวันอันนั้นก็ต้องแยกแยะหน่อยว่าชื่อเสียงที่ดีเนี่ยก็คือขจรไปในหมู่คนดีไม่ใช่ขจรไปในหมู่คนเลวอ่ะนะคนเลวเนี่ยทําชมคําด่าของคนเลวเอาเป็นประมาณไม่ได้เขาชอบเขาก็าชมเขาชังเขาก็าชังกับคนคนเดียวกันนั่นแหละครอบครัวเดียวกันนะั้นเราคิดดูนะ แรกๆเจอกันโอ้ยคุยกันดีๆอยู่นานๆเขาก็ด่ากันอยู่ทุกวันนั่นแหละมันจะเอาเป็นประมาณได้ยังไงนั้นถ้ามีประโยชน์ให้เขาได้มากเขาก็ชมมากมีผลประโยชน์ให้เขาได้น้อยเขาก็ชมน้อยทีนี้สําคัญที่สุดก็คือว่าคนที่ชมเรานั้นเป็นใครมองมานี่มีเรื่องขำอยู่หลายเรื่องกันเขาบอกว่า อ, อาจารย์นี่เทศดีจริงๆเลยครับมีครั้งหนึ่งเทศช่วงตีห้าถึงหกโมงบอกโอ้ท่านอาจารย์นี่เทศดีจริงๆเลย ทีนี้ไอ้คนที่มาชมเรานะเขาขยี้ตาใหญ่เลยเพิ่งตื่นกันหลับฟังเป็นชั่วโมงอะ่ะตื่นขึ้นมาขยี้ตาว้าจานนี้เทศดีจริงๆนะยแม่เราอยากจะเช้าต้นหน่อยแต่แหมดูขยี้ตาแล้วเกินเพิ่งตื่นแน่นอนเลยอะมาก็วิบากดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนนั่งหลับฟังแล้วจะชมว้าเทศเก่งใช่ไห้กล่อมแล้วจนหลับสนิทเลยอะ่ะคนลักษณะนั้นชมเอาเป็นประมาณน้นที่ไหนใช่ไหม คนดีคนเขาศึกษามามากก็บอกหูยพูดห่วยที่สุดเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ท่านเราก็ต้องสังเกตคนที่ชมคนที่ยกนั้นน่ะเขาเป็นใครไปหลงตามนั้นก็นแย่เลยนะทีนี้ต่อไปอีกว่าข้อที่สี่นะว่าทายกผู้เป็นฐานะบดีจะเข้าไปอยู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์รามครหาบาดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องอาไม่เกเขินเข้าไป คือจะเข้าไปสู่ที่ไหนก็อาถรรพ์แต่บางคนเนี่ยตนันนีนะ เ, เขาจะเรียอะไรเราหรือเปล่าฮ น, นี่งานนี่เขาเรียกว่าไปนั่งอยู่ตรงไหน น, นี่ก็นั่งแบบมนนะมันทุกข์เหลือเกินเงี้ยนะมันทุกข์ของคนตนันนีก็คือเอ๊เขาจะขอหรือเปล่า เ, เขาจะเอาหรือเปล่าอย่างงั้นอย่างนี้หรือเปล่านั้นมันเครียดมันหงุดงิดไม่สนุกเขาพูดเรื่องบอกบุญเรื่องอาบุญเรื่องกุศลเื่อะไรอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยนะมันทุกข์จริงๆเลยนะแต่คนที่ชอบให้เนี่ยนะเออคุยกับคุยไปฉันทําได้เท่านี้ฉันจะช่วยกันแล้วกันนะ เออชั้นช่วยได้เท่านี้แหละเออชั้นมีเท่านี้ก็าบางคนนี่เขาเขาฉลาดคิดจริงๆเลยนะเขามีความสุขอะแต่คนที่คิดว่ายุติดจนเกินไปอะนะเรียกว่าจนถึงกับมัจฉริยะการมักน้อยสันโดษกับตนีเนี่ยแตกต่างกันนะคําว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยนะก็คือยินดีกับของที่มีอยู่กับตนีเนี่ยแตกต่างกันคือถ้าสันโดษเนี่ยจิตใจมันจะแช่มชื่นมันจะมีความสุขเพราะเป็นกุศลแต่ตนีมันเครียด พ้ากิเลสสายโทสะมันจะเดือดร้อนใจมันจะหงุดหงิดมันจะบางคนเนี่ยเขาประชมเรื่องการให้คุยกับคุยมันที่ไม่เกี่ยวอะไรก็เล่าพหมือนก้นโกรธขึ้นมาทันทีนะจะให้ใครจะให้จะทําอะไรก็ทำที่เกี่ยวอะไรกับผมบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนะั้นค่อนข้างเครียดหงุดหงิดคนตันนี่จะเป็นลักษณะนะั้นโทสะจะเกิดง่ายใจก็เป็นบาปแต่ถ้าคนที่จะให้นะถ้าเราทําใจไว้ดีๆนะทําใจเป็นเนี่ยอา้าวเราก็ให้ตามสมควรแก่ แต่กำลังของเราใช่ไหมเรายกน้ําหนักได้สองขีดเราก็ยกสองขีดนี่จะไปยกทําไมสองกิโกรัมคนที่ยกได้สองกิโลกรัมทำไมเราต้องไปยกเป็นตันอ่ะเราก็ยกแค่2อกิโลเพราะให้ตามกําลังความรู้ตามกําลังความสามารถคือวัตถุเรามีจํากัดอ่ะเราต้องรู้จักให้ให้เป็นให้ยังไงจึงจะมีสาระมีประโยชน์ได้เต็มที่ถ้าหากว่าเราเป็นลูกหลานพระเวสสันดรอนัอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก เพราะว่าเขารักษาใจได้เขาทําบุญเป็นอ่ะเขาทําบุญเป็นเสร็จเขาให้แล้วเขาไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่อย่างเดียวเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาติท่านไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเลยนะเมื่อท่านให้ไปแล้วถึงของที่ท่านให้จะมากมายขนาดไหนก็ตามท่านไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนใจเลยเพราะท่านให้ชีวิตของท่านเองเป็นทานท่านยังไม่รู้สึกเสียใจเลยควักดวงตาให้เป็นทานนั้นก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรหรอกผ่าหัวใจให้เป็นทานท่านก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไร เพราะท่านมองเห็นผลที่จะได้รับต่อไปการที่คนทําบุญเนี่ยนะถ้าหากว่าเขารู้จักเจตนาที่เป็นกุศลของเขาดีนะเขาก็เหมือนกับเป็นนักลงทุนเขาเป็นนักลงทุนคนที่ลงทุนเห็นกําไรงามๆถามว่าเขาลงทุนมากเขาเสียดายไหมไม่เสียดายของเราก็เหมือนกันแต่ลงทุนที่ไหนบุญคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือว่าศรัทธาศินสุตะจากขะปัญญา สิ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องลงทุนทําขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหลงทุนวัตถุดิบวัตถุภายนอกมากๆหรืออีกในหนึ่งนะถ้าเราสมมติถ้าคนมาขอบอกเขาหิวข้าวเหลือเกินเนี่ยขอเงินไปซื้อข้าวกินหน่อยไปเดี๋ยวจะไปซื้อให้จะกินอะไรเอานะมีมีหยกคนหนึ่งนะเขามาขอผมเนี่ยเขาเอาบัตรประชาชนให้ดูเลยผมเนี่ยมาจากที่แห่งอื่นนะผมเนี่ยหิวมากเลยทําไงไปเดี๋ยวจะไปซื้อให้ จะกินอะไรบางคนเขาก็ใช้วิธีนั้นบอกโ้หตกรถตกเรือมาเนี่ยทำไงดีไปจะไปจังหวัดไหนจะไปซื้อตัวให้ถ้าคนเป็นเนี่ยนะถ้าทําบุญเป็นปั๊บเนี่ยเขาจะรักษาใจไว้ได้แล้วเขาชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือคนจริงๆด้วยหรือไม่ก็เอเอาไปเท่านี้ก่อนนะคือให้ในฐานะที่เราพอรักษาใจได้โอ้โหสมมติเขาขอมื่หนึ่งเนี่ยเราไปให้สักหมื่นห้าเนี่ย ที่จริงเข้าสมควรได้ห้าบาทแล้วก็ให้ตามความเหมาะสมไปสมควรคืออะไรคือความพอดีเนี่ยอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องหนึ่งอัดถันอยู่รู้จักผลของสิ่งนั้นๆว่าคืออะไรอัตถันอยู่นะรู้ผลทำมันอยู่ก็คือรู้จักเหตุของสิ่งนั้นนั้นรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณความพอดีความเหมาะสมเนี่ยสำคัญมากเขาเรียกว่ามัดตันอยู่รู้จักประมาณ ถ้ายิ่งเข้าของเครื่องใช้เนี่ยนะรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการให้รู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการบริโภคอันถ้าคนที่รู้จักประมาณจะรักษาใจใจได้ใจนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสมบัติในโลกนะแก้วแหวนเงินทองเข้าของเครื่องใช้เนี่ยทุกคนก็ยอมรับว่ามีค่ามากใช่ไหมเพชร แต่ละเม็ดเนี่ยโหมีค่ามากมายมหาศาลบ้านแต่ละหลังรถแต่ละคันเสื้อผ้าแต่ละตัวอาหารที่บริโภคแต่ละมือ้อรองเท้าที่ใส่แว่นตาที่ใช้ข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดแต่ละอย่างนี่เราก็ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์เนะทรัพย์พวกนี้เป็นทรัพย์ไห้ครับพวกันเป็นนะเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกคือข้าวของเครื่องใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาจากไหนส่วนหนึ่งมาจากทรัพย์ภายใน มาจากรั์ภายในทรั์ภายในคืออริยศัพ์อริยศัพย์ทั้งหมดมีเท่าไหร่